เพิ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ภายในอย่าส่งใจออกไปข้างนอกการปฏิบัติธรรมนี่ความมุ่งหมายที่พระศาสดาทรงสั่งสอน ก็เพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติธรรมนี่ได้รู้แจ้งในชีวิตของตัวเองนี่ละตามเป็นจริงก่อนรู้สิ่งอื่นนอกออกไปจากกายใจนี้นะเมื่อรู้แจ้งในกายและจิตนี้ตามเป็นจริงแล้วก็ย่อมสามารถที่จะรู้ แจ้งในสิ่งอื่นซึ่งอยู่รอบรอบตัวเนี่ยที่มันยังหลงสิ่งภายนอกต่างๆอยู่นั้นก็เพราะเหตุว่ามันไม่รู้แจ้งในอาการของร่างกายและจิตใจนี้เองเนี่ยมันรู้แต่เพียงเอกเทศมันไม่รู้รอบ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยการสดับตรับฟัง บ, บ, บ่อยๆบ้างแล้วการฝึกจิตใจให้สงบระงับบ้าง mm hmm. เพื่อจะได้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วมันก็จึงรู้แจ้งในชีวิตในตามเป็นจริงได้ อันรู้ตามสัญญานั้นใครๆครก็รู้ทั้งนั้นแหละว่าอันนี้คือตาอันนี้หูอันนี้จมูกอันนี้ลิน้นอันนี้กายอันนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้นะใครก็รู้ทั้งนั้นแหละแต่รู้ด้วยวิญญาณจำไว้ได้โดยสัญญามันไม่ได้ รู้แจ้งด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นมันจึงปล่อยจึงวางอัตภาพร่างกายนี้ลงไม่ได้จึงได้หลงสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นแม้ว่าจะได้ฟังเทศฟังธรรมได้รับคำตักเตือนสักกี่ครั้งก็าตามบางคนนะ ไม่ตื่นตัวเลยยังไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้ความเห็นอันที่ได้ยินได้ฟังนี่ให้เป็นปกติสม่มเสมอไปได้ <c oughs> ก็ให้พึ่งพากันเข้าใจโดยสรุปว่าความทุก ทั้งหลายหรือความมุนวายทั้งหลายมันเกิดจากอุ ป, ปาทานความยึดมั่นถือมั่นอันนี้น่กล่าวโดยสรุปแล้วนะความทุกข์กายเหตุที่จะได้มาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้ก็เพราะว่าดวงขีดตรงนี้แต่ชาติก่อนมันก็ไม่รู้แจ้ง ในกายแล้วไม่ปล่อยไม่วางแล้วก็ใช้กายนั่นทำดีบ้างทำชั่วบ้างใช้วาจาพูดดีบ้างพูดชั่วบ้างแล้วพนีกก็ไปก็ไปยึดถือเอาเรื่องที่ทำคำที่พูดนั่นไว้ทั้งดีทั้งชั่วมันก็เลยเป็นตัวกรรม นำดวงจิตนี้มาเกิดขึ้นในรูปอันนี้กรรมเหล่านั้นมาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายให้กระทึงได้เกิดมามีรูปมีร่างขึ้นมาอย่างนี้เมื่อเกิดมามีรูปมีร่างมาอย่างนี้แล้วลองพากันพิจารณาดูว่ามันยุ่งยากลาบาก อย่างไรบ้างหรือมันเป็นสุขสบายหรืออย่างไรอ่ะการที่ดวงจิตได้มาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้นะมันเป็นอย่างไรนั้นงพากันพิจารณาดูให้ดีอย่าอยู่เฉยๆการปล่อยจิตของตนให้คิดให้เลื่อนลอยไปตาม กระแสของโลกเสียมากต่อมากอันนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุไม่ได้รู้แจ้งในร่างกายสังขารอันนี้ตามเป็นจริงที่พระาศราสดาทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทลงมือปฏิบัติธรรมก็คือพยายามซ้ำรวมจิตของตนให้แน่วแน่อยู่ภายใน แล้วเพื่อจะได้กําหนดรู้แจ้งในร่างกายสังขาร น, นี่ตามเป็นจริงนั่นเองนะจุดมุ่งหมายที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้เองเหมือนอย่างเช่นพระโสดาบันนะท่านละสักกายทิฏฐิความคิดความเห็นที่ว่าร่างกายหรือว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนนะท่านละความเห็นอย่างนี้ได้เลยการที่พระโสดาบัน จะละความเห็นอย่างนี้ได้ก็เพราะว่ามาส้ำรวมจิตใจเพ่งพิจารณาร่างกายนี่เสมอเสมอนั่นเองหละยาบางคนก็อาจจะคิดว่าตามตำราแล้วพอฟังเทศก็พระเทเจ้าจบลงเพียงกันหนึ่งเท่านี้ก็บรรลุโสดาบันแล้วก็จะทันได้พิจารณาร่างกายอะไรมากมายแล้ว ทำไมถึงบรรลุรวดเร็วอย่างนั้นได้บางคนก็อาจจะกังขาในเรื่องเช่นนี้อยู่นะจะไปกังขาอะไรเล่าเพราะว่าการสร้างบารมีกระทาคุณงามความดีไม่ใช่ว่ามากระทําเอาเพียงชาตินี้เท่านั้นนะคนเราอะมันก็ต้องทำกุศลคุณงามความดีมาแต่อดีตชาติหนนหลังนูน่น เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาหรือว่าได้พบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้มีศรัท ธ, ธาเลื่อมใสในบว ร, บ ร, บรพุทธศาสนาได้ฟังทำคำสอนของพุทธเจ้าได้ปฏิบัติกายวาจาใจของตนไปตามคำสอนนั่นนั้นแต่ว่าอินทรียังไม่แก่กล้าพอ ที่จะได้บรรลุว่าผลหมดอายุสังขารแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เมื่อหมดบุญวาฒนะในสวรรค์แล้วก็จุติลงมาเกิดในโลกนี้คนผู้มีบุญหรือคนผู้ที่เคยนับถือพระพุทธศาสนามาแต่ก่อนแล้วบุญอ น, นั้นก็มักจะบรรดาลให้มาเกิดในยุคในสมัย ที่มีพระพุทธเจ้าหรือว่าในสมัยที่มีศาสนธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นอย่างในยุคนี้สมัยนี้กระบุญกุศลหรือว่าความเลื่อมใสในคุณพระตนไกรแต่ในอดีตนู่นเลยมันเป็นปัจจัยติดตามมาบันดาลให้ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา แล้วได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระรัตนาการเหลือบางท่านบางคนก็อินทรีย์แก่กล้ามาสมควรแล้วแต่ชาติก่อนพอเกิดมาชาตินี้ได้ฟังคําสอนของพุทธเจ้าเพียงกันเดียวเท่านั้นท่านก็สามารถบรรลุโสดาปติผลได้เพราะว่าแต่ชาติก่อน เข้าใจว่าก็คงได้เจริญกายยะคตมาคงได้เจริญเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาธรรมานุปัสนามาโดยพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ก็ดีเวทนาความสุขความทุกข์ก็ดีตลอดถึงจิตดวงนี้เนี่อ ความคิดความนึกที่ทันเดียวธรรมารมที่เกิดขึ้นกับจิตก็ดีเมื่อพิจารณาเห็นแล้วว่าเพ่งดูจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวตนเราเขา อ, าอะไรมันเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมสภาวะธาตุอาศัยซึ่งกันและกันอยู่เท่านั้นเองนี่เมื่อมาเจริญวิปัสสนาปัญญาอันนี้บ่อยๆเข้า อินทรีย์มันก็แก่กล้าขึ้นโดยลำดับไปเริ่มแต่สัจทินทรซีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระรัตน a ไกลและเชื่อกรรมเชื่อวิบากของกรรมนั่นแหละเมื่อมีความเชื่อว่าทำดีได้ดีมันก็พาคเพียนพยายามทำความดีไปสิ่งใดเป็นกรรมมันชั่วก็เพียนละเว้นไป ในขณะที่ภาคเพียรทําความดีอยู่นั้นก็มีสติกำกับด้วย mm. กว่าความเพียร น, นั้นมันถึงไม่เหลวไหลเช่นอย่างเพียรรักษาศีลอย่างนี้นะมันก็ต้องมีสติระลึกได้ก่อนทําก่อนพูดอะไรมันผิดศีลหรือไม่ผิดถ้าไม่ผิดก็จึงทําจึงพูดถ้าเห็นว่ามันผิดก็งดไม่ทําไม่พูดเช่นนี้ก็ถึงจะมีศีลได้ ถ้าขาดสติอันนี้เสียแล้วสิ้นก็ไม่บริสุทธิ์ได้เลยด่างมันพร้อยไปอย่างนั้น <c oughs> แม้การทำสมาธิก็ยิ่งต้องการสติสมัชญาณนี้มากทีเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเพียร น, นั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้แล้วมันก็ต้องอาศัยสตินี่แหละกำกับจิตเรื่อยไป บางที่ในสมถะกรรมฐานนั้นรงแสดงให้ชงแนะนำให้พุทธบริษัททั้งหลายเจริญพระกรรมฐานให้ปรากฏขึ้นในจิตใจเช่อนอย่างว่ากายก็กายกตาสติเนี่ยคำว่าตั้งสติไว้ที่กายอย่างนี้นะเพราะการที่จิตมันจะมาเพ่งดูร่างกายเนยได้ได ก็โดยอาศัยสตินั่นเองกำกับจิตนี้ไว้ไม่ให้มันเพ่งไปทางอื่นควบคุมจิตได้ให้เพ่งอยู่ที่กายนี้โดยเฉพาะเลยทีเดียวเมื่อจิตนี้ถูกสติควบคุมไว้อย่างนั้นมันก็อยู่แล้วมันก็ไปไม่พุ่งไปทางอื่นนั่ น, นก็จึงรู้แจ้งในร่างกายสังขาร น, นี่ตามเป็นจริงได้นี่หล รู้ไปถึงว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาอย่างที่ว่ามานั่นเองเนะความจริงของร่างกายนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ <c oughs> แม้แต่ดวงจิตนี่ก็ยังทรงสอนให้เอาสติเข้าไปกาหนดรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนอะไรนั่นนะธรรมารมคือความคิดความนึกต่างๆที่มันคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป อันบุรีก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะมีตัวตนอะไรเลยไม่มีนี่ลหละเมื่อเอาสตินี่เข้าไปตั้งอยู่ในฐานทั้งสี่นี้เพียนพยายามอยู่เนี่ยแสดงว่าจิตใจที่มันเพ่งอยู่ในกายอยู่เนี่ยมันไม่เพ่งไปในทางอื่น่ะ ก็แสดงว่ามันเป็นสมาธิอยู่ในนั้นในตัวเลยเรยว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในกายนั้นเพ่งดูกายอยู่เห็นร่างกายอยู่อย่างนั้น <S 1> <S 1> ถ้าว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะมันจะไม่ยอมเพ่งดูแต่ร่างกายนั้นอยู่เลยมันก็จะเพ่งออกไปข้างนอกนู่นอนั่นเรียกว่าจิตไม่ไม่เป็นสมาธิแล้วมันถึงได้เพ่งออกไปข้างนอกอย่างนั้น นี่แม่จิตนี่เมื่อเรรเพ่งดูเข้าไปเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยอย่างนี้นะจิตเนี่ยแม้ความคิดความนึกที่คิดขึ้นมาก็ไม่ใช่เมื่อจิตไม่ใช่ตัวตนแล้วอารมณ์ที่จิตคิดขึ้นมาก็ไม่ใช่ตัวตนอีกเหมือนกันนะเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอยู่นั้น นี่เมื่อบุคคลมาภาวนานะ่พยายามมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตประคองจิตให้เพ่งพี่นะฐานทั้งสี่นี้ให้เจ้มแจ้งอยู่ในใจเสมอเสมอละ่ะผู้นั้นแนะก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาเกิดขึ้นในจิตใจอ่เรียกว่าปัญญสี่อันนี้เรียกว่า เราปฏิบัติไปในแนวสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่การปฏิบัตินี่มันมีอยู่สองทางทางหนึ่งได้แก่การเจริญสมถากรรมฐานจนได้บรรลุฌานสมาบัตินูน่นแล้วก็จึงเจริญวิปัสนาต่อประการที่สอง ทรงสอนให้ตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมารมณ์ที่กล่าวมาแล้วนั่นเป็นอารมณ์จนเห็นแจ้งชัดลงไปว่าไม่มีตัวตนเราเขาอะไรเลยแล้ววันนี้ก็ใช้ปัญญาสอนจิตนี้ให้ปล่อยให้วางไม่ให้ถือมัน่นร่างกายนี้ไว้ด้วยความยินดียินร้ายด้วยความเสียใจดีใจต่างๆหม่นี้นะ อันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นการเจริญสมถาวิปัสนาไปพร้อมกันแต่ว่าสมถานี้ไม่ละเอียดเหมือนอย่างขั้นต้นนั้นตอนการเจริญสมถะขั้นต้นนั้นอันนั้นมันละเอียดเนี่ยสมาธิละเอียดเข้าไปเรียก ว, ว่าจนบรรลุฌานแหละมบรรลุฌานสมาบาัติแปดนน การมรนลุฌานนั้นการทำสมาธิอยู่ด้วยฌานอย่างนั้นมันอยู่ได้นานเลยจะอธิษฐานใจนั่งอยู่ที่เดียวสองวันสามวันเจ็ดวันอย่างนี้ไม่โยกย้ายไปไหนเลยอย่างนี้มันก็อยู่ได้เพราะอนุภาพแห่งฌานน่ ะ, ะมันทำให้จิตนี้ไม่ไปพัวพันกับร่างกายนั้น จิตก็สงบอยู่พอจิตกายก็อยู่พอกายอย่างนี้นะเดัะนั้นเมื่อจิตนี้ไม่ไปสัมผัสกับร่างกายนั้นร่างกายนี้มันก็ไม่วันไหวทีนี้นะมันก็นิ่งอยู่ได้ <S <S 2> <S 2> การที่ร่างกายมันจะวันไหวไปมาเนี่ยก็เพราะอาศัยจิตนี่แหละมันวันไหวเมื่อจิตเคลื่อนไหวแล้ว ร่างกายนี้ก็เคลื่อนไหวไปตามกันทีนี้เมื่อจิตหยุดนิ่งลงไปแล้วร่างกายนี้มันก็นิ่งไปเหตุนั้นท่านผู้ทาจิตให้นิ่งได้ละเอียดและอ่อลงไปเท่าไรร่างกายนี้มันก็อยู่ได้นาน อ, าอยู่ได้นานทีเดียวไม่กระดุกกระดิกไม่เคลื่อนไหวไปมาทางไหนอันนี้ท่านเรียก ว, ว่าอยู่ด้วยช้าน แต่สําหรับสมัยนี้นะเข้าใจว่าคงจะยากที่ผู้ที่จะทำฌานอย่างว่านี่ให้เกิดให้มีขึ้นได้ส่วนมากก็มีแต่บำเพ็ญไปในทางสติปัฏฐานสี่นี่แหลกะก็เพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนรู้ว่าตนไม่สามารถที่จะบำเพ็ญฌานอย่างนั้นให้เกิดขึ้นได้ แต่ก็ต้องหันมาบำเพ็ญสติปัฏฐานทำทั้งสี่นี้พระศาสดาไกยงยังทรงสแสดงอานิสงแห่งการเจริญสติปัฏฐานนี้ไว้ว่าถ้าหากว่าผู้มีวาสนาบารมีแก่กล้าสมควรที่นี่มาเจริญสติปัฏฐานนี้เพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นก็ได้บรรลุมรรคผลแล้ว ถ้าว่าผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ก็ประมาณเจ็ดเดือนก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ทีนี้ผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนกว่านั้นจะเริ่นไปก็ประมาณไม่เกินเจ็ดปีก็สามารถบรรลุมรรคผลได้อย่างนี้แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ทุกคนก็ให้พึงรู้ นิสัยวาสนาของตนเองอเมื่อตนเองไม่สามารถที่จะเจริญสารสมาบัติให้เกิดขึ้นได้เราก็มาพยายามฝึกสติสัมปชัญญะนี่ให้แก่กล้าให้มาเพ่งทีนิดอยู่ในอัตภาพร่างกายอันนี้เสมอเสมอจนมันเกิดญาณความรู้แจ้งขึ้น น, นุ่น ท่านเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยแปลว่าฐานที่ตั้งของสติคือร่างกายตั้งเพ่งดูจนเห็นแจ้งวิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งว่าไม่ไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้ว จิตใจมันก็ตั้งมั่นลงไปได้ทีนี้ hmm. ก็รักษาความ <c oughs> รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมเรียกว่าให้ความรู้ความเห็นอันนี้มีอยู่กับกจิตใจนี่ตลอดเวลาไปเลย hmm. มันจึงทันกับความหลงเมื่อมีความรู้ความเห็นอย่างนี้ ตั้งอยู่ในใจิตใจตลอดเวลาไปอย่างนี้น ะ, ะเมื่อเวลามีเรื่องไม่ดีอะไรมากระทบกระทั่งเข้าเช่นเป็นเรื่องที่มันจะมายั่วให้โกรธขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็ไม่โกรธแล้วันนี้น ะ, ะสมมติว่าอย่างว่ามีใครเข้ามาด่าเข้าไปมาตีเตียนเข้าไปว่าตนไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ ก็เมื่อมันเคยเจริญ ส, สติปัฏฐานอยู่มาแล้วอย่างว่ามาแนั้นะมันก็กําหนดรู้ทันทีเลยเขาไม่ได้ว่าเราอะเราไม่มีอยู่ในที่นี้เลยอมันก็มีปรากฏแต่ธาตุสี่นน้ําไฟลมเท่านี้แหละอยู่ในนี้เขาไม่ได้ด่าเราเราไม่มีอยู่ในนี้เลยฉะนั้นจึงไม่ควรจะไปโกรธและตอบโต้กันไป ทำให้เกิดเป็นกิเลสบาปประรมขึ้นในใจผู้นั้นมันก็สงบได้อย่างนี้แหละความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจต่างๆมันก็ไม่เกิดความโกรธแค้นต่างๆมันก็ไม่ปรากฏถ้าหากว่าความรู้ความเห็นอย่างว่านี่มันแจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอสติอันนี้มันก็ แก่กล้าว่องไวที่สุดเลยพอมีเรื่องอะไรกระทบเข้ามาอย่างนี้สติมันก็วิ่งเข้าหาจิตทันทีห้ามจิตไว้ได้เลยห้ามไม่ให้จิตบันวันไว้ไตามเรื่องที่กระทบกระทั่งนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นเรื่องสติสัมปชัญญะนี่จึงว่าเป็นคุณธรรมมันสำคัญมากให้พากันใส่ใจให้มองมาก มันระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่เสมอสม อ, อย่าไปลังเลอย่างอย่างอื่นเลยว่เอ๊ะทำไมเราจึงภาวนาไม่เป็นทำไมเวลามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมามันถึงว่นไหวอ ย, อย่างนั้นอย่าไปสงสัยอย่างนั้นที่มันเป็นทั้งนั้นก็เพราะว่าสติมันนอนแอไม่ได้ฝึกสติให้ว่องไวให้ใหแก่กล้า ไม่มันน้อมสติเข้ามาหากายหาจิตจนทำนี้ทำนานไว้คนเรานี่มันเป็นอย่างนั้นแหละในเมื่อเวลาอยู่โดยปกติไม่มีเรื่องวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้มักจะลืมตัวเพลิดเพลินไม่ค่อยกำหนดพิจารณากายพิจารณาจิต อ, อย่างนี้นะลืมตัวไปอ่ะ พอมันลืมตัวไปอย่างนั้นในขนาดเช่นนั้นเนี่ยเมื่อเวลามีเหตุไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันแล้ววันนี้จิตใจก็วันไว้ไปทันทีเลยอย่างนี้นะนี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประมาทถ้าพูดถึงธรรมปฏิบัติแล้วนะ แม้ว่าจะเป็นนักบวชบวชมาตั้งนมนานเท่าไหร่มันก็มันก็ยังมีจิตวันไหวอยู่นั้นตั้งมั่นอยู่ไม่ได้ผู้มีจิตวันไหวอยู่นั้นถ้าเป็นหัวหน้าหมู่คณะอย่างนี้ก็บริหารหมู่คณะไปไม่ตลอดอก่อเรื่องยุ่งวุ่นวายกันขึ้นไปเลย นี่มันเรื่องเรื่องที่ว่าจิตใจ ว, วอกแวกวักนไหวขาดสติสบายช ญ, ญ่ายนับว่ามีโทษมากมายอัอนนี้เพราะฉะนั้นต้องฝึกให้มันหนักแน่นจิตนี้นะฝึกให้หนักแน่นหัดอดหัดทนต่อความกระทบกระทั่งต่างๆ่างเมื่อถูกกระทบกระทั่งมาเช่นนี้อย่าไปโทษคนอื่น อย่าไปโทษคนอื่นโทษตัวเองก็ตัวเองเกิดมาทำไมล่ะเมื่อตัวเองเกิดมามีรูปมีกายนี่มาแล้วมันก็จะต้องได้รับรู้สิ่งต่างๆในโลกนี้ทั้งดีบ้างชั่วบ้างไม่ดีไม่ชั่วบ้างเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยละจนกว่า รูปนามอันนี้มันจะแตกกระดับไปถ้าไม่ประสงค์อยากจะให้ได้สัมัสความสิ่งที่ไม่ชอบใจในโลกอันนี้นะก็อย่ากเกิดมาเท่านั้นเองเนะี่ยแต่จะไปห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้สี่วะเนี่ยเพราะว่าตนยึดมั่นถือมั่นอยู่นี่ในในอุปท า, านขันหนะ้านั้น ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางมาแต่อดีตชาติผลหลังนูน่นจนมาถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังจะไม่ยอมปล่อยยอมวางอยู่อย่างนี้นะแล้วจะไม่ให้มันเกิดมาพบกับเรื่องหมู่นี้ได้ยังไงเล่านั่นแหละให้พากันเข้าใจเมื่อพูดไปเรื่องอื่นมากมายมันก็ฟั่นเฟือเราพูดกันเอ า, าเฉพาะ ที่เป็นข้อปฏิบัติอันใกล้ชิดสำหรับที่จะทำจิตของเราให้ตั้งมั่นให้หนักแน่นนี่ดีกว่านั่นแหละผู้ใดได้ฟังคำตักเตือนอย่างนี้แล้วนะหวังว่าเขาคงรู้ตัวนะว่าทบทวนดูตนเองว่าที่ล่วงแล้วมาเมื่อตอนถูกกระทบกระทั่งอะไรนะจิตใจหวั่นไหวหรือไม่ทบทวนดูซินั่นแหละ เมื่อรู้ว่าตนยังหวั่นไหวอยู่เนี่ยก็แสดงว่าสติสมบัชญชะนี่ยังอ่อนอยู่ยังบกครอง ừ, การเพ่งกายเพ่งใจอันนี้ก็ยังน้อยอยู่ไม่มาก <ừ. S 1> เมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็พยายามบำเพ็ญเข้าไปฝนะึกสติสมบัติชญญนะมันทีเข้าไปเรื่อยๆพยายามกำหนดรู้กายรู้จิตอันนี้ ให้มากไปเรื่อยๆโดยเฉพาะนี่เป็นนักบวดซึ่งได้อาศัยอยู่ในอารัญยิกาวาดคืออ า, อาศัยอยู่ในป่าอันเป็นที่สงบสงัดเนี่ยนะับว่ามีโอกาสที่จะได้ฝึกสติสัมปชัญญะนี่ให้แก่กล้าได้เต็มที่เลยเพราะว่าแต่ละวันแต่ละคืนนี่ ก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเท่าไหร่นักแต่ถ้าว่ามันบางเกิดมีขึ้นอย่างเนี้ยมันก็จะได้เป็นเครื่องทดสอบจิตใจตัวเองนะเราไม่ต้องไปโทษผู้อื่นเลยดีแล้วมีเรื่องกระทบกระทั่งมาเราจะได้รู้ว่าจิตนี่มันวันไวหรือไม่วันไวถ้าว่าอยู่ดีดีไม่มีเรื่องอะไรมากระทบกระทั่งนี่มันดีทุกคนแหละจิตใจนี่น่ะ ดีทางนั้นเลยแต่ขั้นพอมีเหตุอะไรก็เทากทั้งเข้ามานั่นแหละมันจึงรู้ได้พราะพุทธเจ้ายังได้ตัดตรัสไว้นะเป็นภาสิทธไว้ว่ากําลังใจนี่พึ่ง ร, รู้ได้ในเวลามีเหตุอันนี้เมื่อแปลเอาเป็นภาษาไทยแล้วได้อย่างนี้นั่งนั้นนะเราจะไปวันไหวทำไมล่ะ จะไปหวงไว้ไม่ยอมให้ใครมายกโทษติเตียนดุด่ดาว่ากล่าวอะไรเลยหวงไว้ในใจอยู่นั่นเนะ่ยพอมันหวงไว้อย่างนั้นถ้ามีใครบังเอิญใครมาดุด่าว่ากล่าวเข้าไปมันก็เดือดร้อนแล้วนี่มันก็โมโหทโสขึ้นมาเลยนี่เป็นอย่างนี้ได้อย่างนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมยังไงได้ล่ะ จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้ภาวนาเห็นแจ้งในร่างกายว่าไม่ใช่ตัวตนอย่างไรได้นั้นมันถือมั่นในตัวตนอยู่ตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นนแบบนั้นนี่ต้องคิดดูต้องสำรวจดูตนของตนให้เสมอเสมอไปไม่มีใครจะมารู้เรื่องของเรายิ่งไปกลัวตนเองรู้เรื่องของตัวเองไม่มีแล้ว ตัวเองเท่านั้นนะ่ะรู้เรื่องของตัวเองได้ดีเพราะฉะนั้นเมื่อได้สดับตรับฟังอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งใจอฝึกสติสัมปชัญญะนี่มันแก่กล้าขึ้นในกายในใจอันนี้ให้ได้เต็มที่ให้รักษาความรู้ความเห็นที่ว่าร่างกายและจิตใจอันนี้ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอย่างนี้นะ ให้ให้ความรู้ความเห็นอันนี้มันกระจ่างอยู่ในใจเสมอเสมอไปอันนี้แหละจะเป็นทางพ้นทุกข์ภัยในวตาสองสารดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้